จึงไม่มีการสงสัยถึงจะพูดให้คนอื่นฟังหรือจะไม่พูดนิ่งเฉยก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในจิตในใจของท่านความบริสุทธินั้นจะไปจกักผมกล่าว่าสันสิตธิโกเห็นเองปัิจจังเฉพาะตัวรู้เข้าใจเมื่อมัน จนมันเห็นถึงขีดสุดอย่างนั้นการเป็นอยู่ของท่านยังไห่มีปัญหาจะตายไปในขณะนั้นหรือระยะใดจะมีการเสียใจแต่อันนั้นเรายังทําไม่ได้ยังทําไม่ถึงมันไม่มีอยู่ไปมืน่นปีจะไม่มีคุณค่าอะไรอีกจิตใจอันนั้ น, นเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จะเอาออกไปทิ้งขวางที่ไหนก็ไม่เสียหายเป็นความบริสุทธิ์หมดเดอยู่ตั้งแต่เดรารู้จนแต่ทัางวันขาดขันแตกสลัดนี่คือความบริสุทธิ์เกิดจากการปฏิบัติจึ่งเราทุกคนยินดีพอใจ้าเขียนหาเส้นอย่างนั้นไมาจากใ้ทั้งหมดจะมีความสุข ความหยาบเยังในตัวเองถึงธาตุขันตันป่วนไปเรื่อยโรคายไก้เ็ษนั่นเป็นเรื่องของธาตุขันจิตใจนั้นมันปั่นป่วนไปที่ไหนมีอะไรที่จะสงสัยไม่เคยมีแต่แฉวันรู้นจนกระทั่งวันตายแบรบิสุทธิ์อยู่ทุกระยะทุกเวลานี่คืออนิสงส์ของการจะพิจารณาธรรมะข่าหาักเขียนหากเป็นอย่างนี้ คนใจแล้วโลกอันนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะทุกคนใจบริสุทธิ์นี่มันไม่จนไม่เห็นไม่รู้อย่างนั้นเหมือนกันกับเร า, าจะมีโรคมีภัยอยู่จําเช่นอย่างยิ่งที่จะต้องแส่งหาหยุดยามาบํารุงรักษาไม่อย่างนั้นโรคภัยเดียดเย็นหนักเท่าไรก็ยื่นให้ทุกให้โทษเท่านั้น ฉันใดเราที่มีวิเลตปัญหาอยู่ในกายในใจจึงจำเป็นที่จะต้องสแสวงหาธรรมะจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติรักษาเพื่อความสุขความสบายความสงบของใจธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ไขจิตใจที่มีวิเลสให้เบาบางไปให้หายขาดได้ไมมีอันอื่น สิ่งของภายนอกจะมีมากไมาใหญ่กองขนาดไหนไม่มีทางที่จะทำลายใจให้สงบให้ละงับได้ยิ่งมีเท่าไรยิ่งอยากใหญ่ไฟสูงไปเท่านั้นเหมือนกันกับไฟมีเชี่ยวมากเท่าไรก็ยิ่งลุกโดยด่าไปเท่านั้นราคาปัญหาแานจึงและราคากินาโทสักินาโมหกกินะมันเป็นไฟ มันมมีอะไรที่จะย็นขึ้นชื่อวไฟจะทำให้ไหมให้เผาสิ่งต่างๆเดือด้อนเลือร้อนหุ่นวายสิบหายปันป่วนไปหมดเรานักพดนักประพฤปะตปฏิบัติเจิพากันที่มิตรเกรารักษา้งวรกายวายายใจของตัวมีสมณะสัญญาอยู่ทุกการทุกเวลา ชาเห็ินก็ให้มีสติมีธรรมเป็นเสียงแนะนถ้าหากคนมีอัตมีธรรมมีสติปัญญาในสถานที่ใดไม่ขัดข้องไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อใจของคนนั้นแต่เราขัดข้องใส่หมองวุ่นวายว้าเวยอยู่ทุกวันนี้เพราะเราขาดสติ ขาดปัญญาขาดธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและยังไงเช่นดูตาเห็นแ่รูปสวยงามก็ไปจิตไปคล้องอยากได้มาเป็นของของปลกมาดูที่ทายด้วยปติปัญญาว่ารูปนี้มันเป็นอะไรกันแน่ข้างในมันเป็นอย่างไรมันหนาดูไหม เขี้ยวคิ้วหนังน อ, นอกเแ่านั้นกหลงกันเพราะสายตามันสั้นผ่านคิ้วหนังเข้าไปไม่ได้ถ้าหากสายตามีธรรมะพอเห็นแถานั้นมันยังทราบเข้าไปหมดมองทะลุปุกโป่งเข้าไปหมดเลนหนังเข้าไปมีอะไรภายในกายของคน ของสัตมันจกกระโปงหรือมันสะามันถายเพื่อออกมาตามทวารต่างๆเป็นอย่างไรหรือแม่อย่างนั้นรูปที่เราชอ บ, บ, บจิตชิดจริงว่ามันสวยสดงดงามนั้นพ่อแม่ปู่ออย่าตาทวดท่องนันเป็นอย่างไรรูปเหมือนนั้นก็จะเป็นไปอย่างนั้นไม่มีหนี ไทางอื่นจะไปทางเดียวกันชอบไหมคนแก่จนลุกอือหนังอือแล้วชอบไหมหน้าตาของคนแก่ น, น, นั้นฟันมันหลุดมันล่วงนี้ไปแยมก็กตอบตาก็อนมผมกองงอกมันเป็นอย่างนั้น วิวที่เราชอบต่อไปถ้าหากมันไม่ตายมันจะเป็นไปอย่างนั้นรูปร่างกายของมนุษย์ของสัตว์ที่เรายึดถือกันแต่เสื่อสดูญงดงามนั้นก็เหมือนดอกไม้เมื่อมันโตมันบานใหม่ๆมันจะรู้สึกว่าหน้าดูแต่ไม่กี่ชั่วโมงกี่วันดอกไม้ที่เราถือว่ามันสวยงามนั้นมันจะเหี่ยวแห้งไป และล่วงหลนตามหน้าสี่เข้ามันมีคนมีธรรมนะจะนำมาสอนใจทั้งตัวอย่างนั้นไม่ไฝ่ฝันสุดข้องจนลืมตัวเสียสุขถ้าจะพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังพิ่แรณนเป็นของปต่จกูลก็ถ้าหลกออกไปหนังที่เราชอบว่ามันสวยมันงามนั้น นีแต่เนื้อ ม, มันเป็นอย่างไรชอบไหมเป็นบาทเป็นแผล น, นิดๆหน่นนอยๆอยู่ขี้หนึ่งขี้ใดพรอจะมาทานอาหารกับเรามาฉันจะหันกับเรา เ, านะเราท่านั้นแล้วก็จะต้องเหยียดเพเหยียดได้เพราะขี้นั้นไม่มีหนันงหุ้มหัอที่มันเป็นบาทเป็นแผล น, นั้นนาเลือดนําเลี้ยงมันจะเยื่อหมดมาในหน้าดูแล้วเมื่อหนังหัวอยู่ เมื่อเร ล, ลืมลหลงว่าขางในมันสวยบันางามกันต้องหาทางที่นี้ที่แกนาแก้ไขจิตใจที่คลองจิตคิดแลให้กำหนัดให้ยินดีให้เพลิดเพลินอย่างนั้นอย่างนี้ด้วย อ, อุบายที่ดีสติปัญญาของตัวในอย่างนั้นจะเอาตัวไม่รอดจะหมกบุญวุ่นวายจิกคล่องอยู่ในเอืเ่องเืเสียงยินล็ดเลื่อยไป ธรรมะของพระพุทธเจ้ า, าแก่ยิ่เล็กแก่ใจได้อย่างนี้ถ้าหากเรามีธรรมะมีสติปัญญาแล้วสุขสบายไม่วุ่นวายในจิตในใจของตัวเองเมื่อเราสงบได้เราสบายได้เราไม่วุ่นวายเรารักษาตัวของตัวได้แล้วคนอื่นสัตวอื่นทั่วโลกเขาก็เป็นไปตามน้าสี่ของเขาเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขา เพราะพระพุจ้สอนให้รรเราก็บวชปฏิบัติกายใจของเราให้สงบสงบให้ละให้ถอนที่เลียเรื่องคนอื่นเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะหิวจะอิ่มเป็นเรื่องของเขาเราขอให้ปอดไทยขอให้ปุกสบายทางใจเป็นขอบ้าหากเราไม่คิดอย่างนั้นจะไปเชื่อคนนั้นจะไปแนะคนนี้ทั้งทังสี่ตัวของตัวเองก็เชื่อตัวไม่ได้ มันไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบสบายให้แต่ เ, เรายังเชอมอยู่ในที่ลดจะไปยกคนอื่นช่วยคนอื่นมันยกไม่ขึ้นถพาช่วยตัวเองก็ช่วยยังไม่ได้พระพุตธเจ้าสาววักถั่วไป่ันทันหจิดทันใจทั้งขันเหตุต้นเสี่ ก, ก่อนจึงคอยสอนคนอื่นช่วยคนอื่นหรือไม่ช่วยเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตัณฑ อย่างอัญญากนทันยะเพราะเดียวรู้ได้ใส่ใจในธรรมะหนีไปอยู่คนเดียวในที่รเิเรื่อจนอายุแกเริ่มจะประินิาทานมาลาพระพุทธเจ้ า, จาลูกคิดลูกหาหนาเนี่ยแต่ไม่ทราบิ่ะท่านมาจากที่ไหนเป็นใครเต้วตาตัวนั้น พ้ท่านอายุแก่แล้วถ้าพูา้ชายหน่อเดยทรงจำมีป่ะอันยาคนท่านยาหนี้ไม่ไทำประโยชน์อะไรบวดนาแล้วอยู่ฝึกอยู่สาบายั้งแก่เฉพาะตัวไม่ไดทำประโยชน์ให้แก่โลกทไไ่านน่อเดี๋ยวจำมีาดความบริสุทธิ์ของจิตของใจมีแล้วจะอยู่เฉพาะมันก่บริสุทธิ์จะอยู่แนะสอนคนอื่น มันจะบริสุทธิ์สอนคนอื่นนั้นเขาจะเลื่อมใสเต็มใจศรัทธาจะทําจิตทําใจทำบริสุทธิ์นั้นให้ดีเท่าทวีคูณขึ้นมันก็ไม่พทวีคุณอะไรขึ้นในสอนคนอื่นมันจะแฝงจะยึบจะเสียจะหายจะเศร้าจะมองมันก็ไม่มีอะไรทีจะเสียจะหายจะเศร้าจะมองไปนี่คือใจบริสุทธิ์อยู่เฉพาะตัวกับบริสุทธิ์อยู่กับคนอื่นกับบริสุทธิ์ มันจึงไม่มีอะไรเสียหายตายไปกว่านิ้ผานเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นถือเราไหมบริสุทธิ์ไหนดีไหนวิเศษอะไรตัวเองจะไม่เลือ่อนใสตั้มมีตัวเองมันคิดอย่างนั้นมันปรุงอย่างนี้มันยุ่นยากอย่างนั้นทุกวี่ทุกวันเราอยากจะให้คนอื่นเขาเลื่อมใสอยากจะใหคนอื่นเ้าเต็มใจฉันได้เสรนม ตัวเองแต่ยังสรรเสริญตัวเองได้เพราที่เลือดปัญหามันลบกวนใจให้ทำตัวของตัวให้ดีให้วิเศษกกเหมดเลือดปัญหาถึงคนอื่ น, นจะมีศรัทธาเหลี่ยมไสก็เป็นเหืี่ยมของเขาเขาจะตั้งหนี่นิทาเท่ทไรก็เป็นเหืี่ยมของเขาเราเป็นอย่างไรทำบริสุธทธิ์ทาบอยู่ในตัวของเรา ยังไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวเอียงๆไปตามลมปากของคนธรรมะทาหากถึงความจริงเต็มอย่างนั้นสงบรังนะครับในจิตในใจของท่านอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนโดยการเน้นทาสละเสริญมันสุกมันสบายถึงนัตตินัตติสันติพลังสุขขัง เพื่อสงบไน ม, มีโอกาสเวลาไน ม, มีระยะหรือความคิดจูงอะไรที่จะไปสงสัยแบบทำไมจิตของเราจึงเป็นอย่างนี้ความสุขทิ่ปลาศจากที่เหลือปัญหาใคาเรเล่าจะเห็นกับเรา นอกจากตัวของเราปูกประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเราจะเห็นเด่นชัดในการหมดเรื่องการละการบำเพ็ญของตัวคนอื่นเขาไม่เห็นไม่รู้เขาจะดูมีเิียนทาเป็นเรื่องของเขาเราทราบในตัวของเราอย่างนั้นมันจึงไม่หวั่นไหวฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเรา ผู้สแสวงหาความสุขจะควรประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เปีน้นในตัวของตัวอย่างน้อยก็ให้เห็นความสงบของใจเพราะความวุ่นวายคิดลุงไปในราคาตัณหาต่างๆนานานั้นครับถึงมันไม่มีโรงเรียนไม่มีครูม่มีอาจารย์นยสอนมันจะเป็นไปได้วุ่นวายอยู่เทั่วโลกลเราเป็นบนังมดเป็นชาติสี่สูงกว่าเขา ถึงเราสมมติเอาเองว่าเราเป็นสูดดีที่เศษกวัวเขาเกิดจิตใจของเราเหมือนกันกับเขาอยู่เราก็หน่าละอายที่น้ายกตัวเองว่าดีแบบวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้การท้งทีจิตใจเตมไปด้ราคะกันหาเตมไปด้วยเหวีดยโด้วยปวดด้วยหลงจนชีวิตที่แกนาแกะไขตั้งใจปฏิบัติ มีโอกาสเวลาไหนที่จะประฏิบัติกายใจในสบายสบายได้หากเราไม่ทาหากเราทํามีโอกาสอยู่ทุกระยะเวลาที่จะทําได้ยู่มาอยู่ตามาเป็นพระเป็นเนมาอยู่ในถีดเลยถนัดไปหมดในรับในวางในมีอะไรที่จะมา ความความยุ่งเกี่ยวหน้าจากอาเรมแชนยาของเราคนนั้นกายมันกจ็บส่นอือเสียงมันเจ็บสั่นอ้นีวยแก่ใจมันวุ่นอยู่ในรับตั้งแต่เตียงกายใจมันวุ่นได้เกี่ยวข้อกับแันยาอาเรมเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีความสงบสุขให้เพอะทุกคนจึงตวดตาที่จอนาใจแท้งเตือ นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนสอนใจอดเว็นจิบใจของตัวถึงที่ท่านบอกว่าชั่วให้ละอย่าฝ่าฝืนหยุดละหยุดกัณจั์ออกไปจิได้ที่ท่านแนะสอนมาให้กระทมบำเพ็ญให้เห็นเหรูถึงฝ่าฝืนจิตใจก็พยายามบัรคับบัรชาให้คือมิตรเจนะ ในจิตใจอยู่ในวงของธรรมะเมื่อทุกคนตา ง, งานต่งตางจารติบัติรักษาอย่างนั้นธรรมอัศจรรย์คือความฝนชิเลกในส่องไปสงสัยว่ามันอยู่ที่ไหนถ้ามันไปจากในใจิตในใจแล้วนิพพานอยู่เนี่ยที่ไหนอยากไปนิพพานมันก็ไมจากขณาอยากอยู่คือยังไม่อิ่มมันจึยงยากถ้ามันเห็นแล้วมันไ้อหา แค่นั้นแล้วมันไม่หยางนี่คือคนเห็นคนเป็นคนรู้คนใส่ใ จ, จในอดในธรรมจริงจังท่านเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะสท้งใสภายในใจทั้งท่านนี่คือที่สิดในการประพฤติปฏิบัติเราทุกคนมีสิตที่จะประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นได้ในเสด็ผู้อาภัพอัปปัญญาจะที่จะทิเฐินาได้ ยี่เลปัญหามันอยู่ที่ไหนทับไล่นั้นออกไปใจจะสว่างสวายใจจะสงบใจจะเย็นการปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นของทุกท่านที่มุงม่งหน้ามุ่งตามาปฏิบรรัติกันอย่าไปคิือว่าวันนั้นเชีย ก, ก่อนวันนี้เชีย ก, ก่อน เพราะีวิตของเราไม่แน่นอนบางทีพูดกันอยด่ดีๆในรายะนี้ไปสิ่งนี้เช้าตายไปผนนั้นเอาเนี่ยนอนอะไรไม่ได้อะไรควรเห็นควรเป็นภายในใจยูดแต่ทำมันเนห็นเห็นหเห็นให้รู้นี่เปนเรื่องผู้ไม่ประมาทในธรรมะจะต้องรักษาจะต้องประเทียมตัดกายตายใจใจทั้งตัวอย่างนั้น เมื่อทุกท่านได้รดับรับฟังคำเสียอธิบายมาจึงนําไปจิ้นทิ่แกนาศึกษาเห็นว่าเป็นทางที่จะนํามาสุขความสุขความเจริญเราลงมือปฏิบัติตามเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกท่านก็จะไปสบแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมาถึงนว่าพอถึงความเจริญเราจะจิตใจนี้เลยว่าง